วิธีอับานและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงอับพานภิกษุอุทายีนั้นอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไวหนึ่งปักกระผมนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัถิปิดไวหนึ่งปักกับสง์สง์ได้ให้ปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัถิปิดไวหนึ่งปักแกกระผมแล้ว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 สงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอสมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสง์ สงได้ให้สโมทานปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัสติในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมแล้วกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติตัวก่อนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอสโมทานปริวาทเพื่ออาบัติตัวก่อนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้สโมโุทานปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วจึงขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับสง์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 สงได้ให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้หวันกับสงสงได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ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 สงฆ์ได้ให้ปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัสถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัสถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สง์ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัต1หนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุทายีนั้นขอสมุทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัด1หนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตติในระหว่างปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้หวันภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้หวันกับสง์สง์ได้ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัดหนึ่งตัวชื่อ สันเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุทายีนั้นขอสมโมธานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไว้หวันกับสงสง์สงได้ให้สมโมธานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้หวันแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตสาตัวกับสงสงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตสามตัวแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังประพฤติมานัด ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันพิกษุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างปิดไวห้าวันกับสงสงชักพิกษุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอสมโมธานปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้สมโมธานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อน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 ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาทแล้วขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไว้5วันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างปิดไว้5วันแก่ภิกษุอุทายีภิกษุอุทายีนั้นประพฤ sí ติมานัดแล้วขออับพานกับสงฆ์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 สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้